ก็คือถูกละพระพุทธเจ้าหรือบัณฑิตผู้รู้สอนว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นควรจะละแต่ฉันจะละต่อเมื่อฉันพอใจแล้วเท่านั้นดม น, นสิ่งนี้จะเป็นความดืดรันที่สุดในตัวมนุษย์เราเนะียฉันจะเลิกฉันยินดีจะเลิกแต่ว่าต้องสะใจก่อนต้องไปถึงที่สุดกัก่อนจึงจะเลิกอยู่ดีจะมาเลิกดูจะไม่อยู่ รทีุ่ณบอกว่าเราไม่ได้กลัวตายนะครับแต่เรากลัวพระจะพัดพลาดจากชีวิตซึ่งเราชิมแล้วส่วนความตายเรายังไม่รู้ครับผมไม่รู้เลยครับ ย, ย, ยังไม่เคยยังไม่เคยตายเลยตอบไม่ได้แต่ชีวิตที่ชิมเข้าแล้วและยังไม่อิ่มดังนั้นความกลัวตายโดยนัยยะทางจิตวิทยาคือ คลัวจะพลาดจากชีวิตซึ่งเป็นฐานสำหลัดชิมสิ่งนั้นครับด้ยเหุนี้ผู้ที่ฝักฝ่ในเรื่องของหมกมุ่นในเรื่องของกรรมคุณคำว่ากรรมคุณนั้นต้องอธิบายขยายความนะครับไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวนะครับเรื่องการเสพรถทางวัดถุกคนหมกมุ่นฝักฝ่ายในเรื่องนี้ก็จะเป็นคนที่กลัวตายมากมากเพราะโดยการคิดอนุมานว่า เมื่อความตายมาถึงเอวัยวะที่รับรู้รสชาติของโลกต่างๆจะแหลกพนลงดังนั้นจึงกลัวกูจะสูญเสียพลังในการย่อยในการแยกแยะในการสัมผัสในการดมในการลิ้มและในการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเพราะาที่คิดว่าร่างกายไม่ใช่ของเรานะครับซึ่งเป็นเรื่อง <laughs> เรียกา ป, ปากประตูใหญ่เลยครับถ้าเราพิจารณาด้สติปัญญานะครับทั้งใช้ความคิดและทั้งรดมความรู้สึกสัมผัสนักแสดงผมไม่ได้ไปเสดกร่างใช้ความคิดเลยนะครับความคิดอาจจะนำทางองมาท่อนหนึ่งแต่ตัวความคิดมันมีปัญหาในตัวมันเองยุษษทธศาสตร์ของการภาวนานั้นเป็นยุยษษทธศาสตร์ของการปรับแปลง่ยนแปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาครับ สมัม่บ่อยนะครับที่คนพูดว่าคําสอนสมนักงั้นดีมากคือระบบพานาปานนอิสมักนี้สอนดีมากใช้วิธียกมืออย่างของลุงประเทียนหรือของเสืนโมกหรือพุโทโธหรือสมาละหังตามความเข้าใจของผมนั้นวุทธศาสตร์เหล่านี้เป็นเพียงเทคนิคเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งเราสามารถนํามาใช้ประสมสารกันได้นะครับแต่ในที่สุดแล้ว เทคนิคนี้ไม่สามารถนำเราไปสู่ทางเฉพาะตัวของเราได้ท้ายที่สุดของเที่ยไม่มีวิธีไหนเลยนอกจากตัวมันเองดังนั้นจิตสานึกที่มาถึงวันหนึ่งคือหนึ่งหรือช่วงชีวิตหนึ่งซึ่งตื่นการอยู่ด้วยความรู้สึกที่ว่าพอกันทีสำหรับการซัดสายไปลอกแบบผู้อื่นนี่ไม่ใช่สิ่งที่ เยาะโสโอโหังนะครับแต่ผมรู้สึกเป็นความจริงแค่ทีเดียวว่า mm hmm. ก่อนนี้พระเจ้า mm hmm. ถ้าว่าเจ้าชายสุทัศาหรือเป็นนักบวชสกนัญมณีแล้วนะครับก่อนหน้าท่านมานั่งใต้ต้นไม้สีมหาโพธิ์นะครับถ้าท่านยั่นอกแบบคนอื่นนั้นจำความรู้ไปไหนมาท่านจะไม่ได้เป็นพระเจ้าครับโดยเหตุนั้นท่านบอกท่านรู้เองจริงๆไม่ได้รู้เมื่อไงเมา่อก่อนถ้าสมมุติเจ้าชายยังจําทฤษฎีเก่า ที่ครูสอนไว้และนำมาคบนั่งคิดนั่งตีความอยู่นั่งแยกแยะอยู่ผมเชื่อท่านจะไม่เข้าถึงความเป็นพุทธะต่อให้มีความเป็นพุท ธ, ธะรออยู่ก็ตามพวกความคิดมันหมดบงมังหมดอุปมาที่ผมชอบมากๆนั่นหนึ่งก็คือตอนที่ท่านข้ามน้าในรันชะาก่อนที่เข้าไปสู่ใต้ร่มพระศรีมหาโพนะครับ หลังจากชันเข้ามาัทุปายาตของนางสุชาดาแล้วเนื่องจากฐานะของท่านเป็นนักบวชไม่สมควรที่เก็บภาชนะทองไว้ท่านก็ลอยถาดตอนนี้เรียกว่าลอยถาดสียมบารมีพระคัมภีร์ซึ่งบันทึกเป็นเชิงวรรณกรรมบันทึกไว้เช่นนั้นนะครับแล้วป ร, กรากฏว่าถาดลอยทวนกระแสนะ้ําซึ่งเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ แล้จมดิ่งสู่นาค พ, พบภพพญา น, นาคราชสะดุ้งตื่นแล้วล้ำพึงว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ช่างช่างมาตรัสเร็วเหลือเกินสิ่งนี่เป็นปริศนาธรรมที่ล้ําลึกครับบาดาลคืออะไรโลกใต้พิภพที่อยู่ของนาคราชพญา น, นาคราชนั้นตามผมเข้าใจนะครับเพราะาต่ผมตีความเป็นนาคประจนะ้าคือเป็นปริชาญาที่ล้าลึก ลึกซึ้งถึงบาดาลเลยครับแล้ววันที่พระเจ้าเห็นนิมิตอันนี้โดยความจริงนั้นไม่มีใครรู้นะอาจเป็นน้ำวนก็ได้หรืออะไรก็ได้มันทำให้เกิดปรากฏการแปลกๆ แ, แต่สิ่งที่ปรากฏกับตัวเจ้าชายนั้นสำคัญมากเหมือนกับว่านกตกลงมาจากยอดไม้มันก็เรื่องของนกแต่ว่าสำหรับผู้ดูที่เชื่อโชคลางเป็นปรากฏการอีกอย่างหนึ่งฉันใดก็ชันนั้นครับ จ้ชายในฐานะเนักบวชเห็นปรากฏการณ์นี้อีกอย่างหนึ่งไม่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ตาเห็นเป็นไปได้ที่ท่านเห็นว่าตลอดเวลาหปีที่แล้วมาที่ท่านแสวงหาธรรมะนีท่านเข้าไปในกระแสทานของอารมณ์ตลอดเวลาหกปีของความปิดพลาดก็คือท่านเข้าไปในอารมณ์ไม่เลือ่อารมณ์หมายในความคิดนะครับแล้วพอเห็ น, นมิตรอันนี้ครับท่านนึกออกว่าหปีท่านเสียเวลานีน้เพราะอะไร ดัง น, นั้นมติใหม่ก็เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในนั้นนะครับต่อวิธีทางว่าต้องทวนกระแสเปลี่ยนสมันทวนต้นไปสู่ต้นฐานเพื่อจะจมลงสู่บาดาลอิปัญญาคือปัญญาก่อนหน้าที่ความคิดจะเกิดนี่คือความลี้ลับในตัวมนุษย์ครับเราไม่เคยรู้ฐานะก่อนหน้าความคิดจะเกิดเราไม่เคยรู้จักภาวะก่อนเกิด เาว่ก่อนเกิดคืออะไรเราเราเลึกลึกลึนะครับเรานึกไม่ออกเลยเหมือนกับนอนนั่งนึกย้อนอดีตไปว่าเราอายุหกขวบเราคิดอะไรนาะเราเริ่มลางเลืแล้วนะห้าขวบที่นี้เนาะสองขวบมึดมึดแปดทิศเลยครับพูดถึงภาวะก่อนเกิดก่อนเกิดเรื่องนะครับคืออะไรสมมติว่าเราใช้ภาวะก่อนเกิดเรื่องในคามหมาธรรมดา่อนถูกลดชนก็คือภาวะที่ยังไม่ถูกลดชนครับคือภาวะที่ปกติดี หลังจูเลชนแล้วมันมันเป็นภาวะใหม่เรามีความจำใหม่แล้วเราก็ดิ้นรนที่พ้นจภาวะใหม่ด้วยเพราะนั้นไวที่ปฏิภาณนี้เกิดขึ้นกับนักบวดที่ชื่อโคตมพุทธะที่ต่อมาเป็นพระพุทธเจ้าของเรานะครับท่านเอกใจขึ้นมาว่าหกปีที่แล้วมาเนี่ยท่านตามกระแสอารมณ์มันตลอดไปเข้าฌานไปทำทรมานจ น, นตามความคิดตลอด ควคิดบอกให้ทําอะไรก็ทําตามมาตลอดแต่มาคราวนั้นเองครับท่านเฉลียวจอยดังนั้นเองนะครับเมื่อข้ามลำธานนี้แล้วเมื่อมันนั่งบนฟ่อนหญ้ า, านะครัาที่จริงไม่ใช่หญ้าคาครับหญ้าคามันคันเป็นพืชกบน้ําที่นิดหนึ่งจะมากกว่านี่เพราะมัน น, นุ่มนวลดีพอั่งฟซ่อนหญ้าแล้ววัตเตอร์ทําแห่งสตรีปรฐานก็เรื่องขึ้นครับก่อนหน้านั้นท่านปฏิบัติติตถูกๆูกเรื่อยเรื่อยนะครับ แต่มาถึงวาระนั้นเองที่ว่าท่านเลืมม่อรดมความรู้สึกตัวที่จะทวนกระแสวัฒนธรรมชาวพุทธนั้นควรจะกําหนดจดจําคือวัฒนธรรมทวนกระแสทวนกระแสอารมณ์คำทวนกระแสไม่ใช่ต้านกระแสนะครับเหมือนกระแสน้ําไหลามานี่คำทวนกระแสแล้วขึ้นเหนือกระแสแล้วก็ว่า้เข้าฟัง่งหรือเช่นเรือกระเรือที่จมน้ํา นนเราก็อาศัยน้ํานั่นเองก็กู้เรือแล้วก็แล่นอยู่บนติ่เรือไม่ใช่ไปไปต้านน้าเข้าไม่อเอาเรือไปขวางน้ำเข้าเพราะทำจนกระแสก็เกิดขึ้นครับนี่ต้นท่ามันเกิดขึ้นว่าทวนความคิดทําอย่างไรเพราะร่าตัวเราทั้งหมดภูมิหลังทั้งหมดอันาคตทั้งหมดปับจจุบันทั้งหมดของเราขึ้นกับความคิดหมดแล้วตั้งแต่เช้าตรูเมื่อตื่นนอน เราลืตาถื่ขึ้นมาพราะฉะนั้นเราจะคิดจะก่อนหน้าเราจะลืมตาตื่นเสียตื่นขมานี่เราเรียบร้อยแล้วครับถูกความคิดครอบนาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปทํางา น, ไ ป, ออนาไปทะเลาะกับหัวหน้าไปทําน้นนี้กลับมาเย็นก็นเหนื่อยเมื่อยล้าทะเลาะ ก, กันลูกตลอดเวลาเราอยู่ในความคิดทุกคนที่เดินอยู่ที่ถนนนะครับหรือ ท, ที่นั่งที่ป้ยอยรอเมลหรือในเครื่องบินหรือในเรือเดินทางไปต่างประเทศหรือลงไปนอุโมงค์ลึก เขาไม่ได้ไปเฉพาะเรื่องกับร่างกายโลกทั้งหมดไปกับเขาผ่านทางความคิดความทรงจำคนที่นั่งในรินถนนที่ป้ายรถเมล์นั้นเขาไม่ได้นั่งเปล่านะครับหรือแม้แต่เราเองนะครับเขานั่งอยู่กับความคิดโดยไม่รู้ตัวครับความคิดก็ทำหน้าที่อยู่ตลอดสิบนาทีของห้วงเวลาก็คือสินาทีของความคิดโลก ที่สัมผัสโดยจงได้เช่นความเย็นของโต๊ะที่เราสัมผัสหรือดวงตาที่เห็นรูปแล้วมีความเย็นๆในเปลือกตาถูกละเลยหมดสิ้นเลยครับมือตัวที่เป็นแหล่งสัมผัสบริสุทธิ์เราทิ้งคุณค่านี้หมดเลยครับเราไปผูพันธ์อยู่กับชัเจทายอะไรบ้างฉันควรจะมีอะไรเราไปผ พ, พันธ์กับกระแสความคิดดังนั้นเองกงล้องความคิด คือกลงมล้ออห่งการเวลาก็หมุนไปดึงแข้งดึงขาบทขี้เรลแล้วกคลานผงฝุ่นในกลมล้อนี้แต่ถึงแม้เราจะรู้เช่นนี้แล้วกต่ตามครับเราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรยังไะหลุดจากกลงล้อนี้ได้ข้อ น, นี้เองครับโดยปราศจากคาแนะนำของพระพุทธเจ้า้วสัตว์โลกย่อยากที่จเอาตัวรอดนีเป็นข้อความในวินจารณ์วิญญ ผมคือไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านีนะ้ยากที่เอาตัวรอดเพราะล้วนแล้วจะตกเป็นเหยื่อของความคิดพอะความคิดเปเรื่องมันสร้างสารรค์เองนะครับสังเกตดูครูที่ไม่เคยตีนักเรียนหรือพ่อแม่ที่ไม่เคยเชี่ยนลูกเลยได้เขี่ยนะยสักียนกไม่เยอะเลยครับเพราะความคิดใหม่เกิดขึ้มนมาปรุงแต่งมันจะย้ำอยู่ย้ำอยู่อยนั้นพอได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งจะได้ผลเป็นสุดกระตามทุกกระตามมันก็จะซ้ําซากซ้ํำซากอย่างนั้น จะรู้ชะนีแล้วะครับเราจะทำไงดีเสียงปวดครวญอันนี้ครับเสียงร่ำร้องอันนี้ดังระ ง, งชมชงพูทวีตในสมัยพุท ธ, ธกาลผู้คนเลาวิ่งวนสารวน์หาผู้ไม้ป่าเขาลุกกระเทวดาเป็นที่พึ่งคาดหวังว่าทุกทรมานตนแล้วเทวดาจะช่วยพระเจ้าจะเอื้องหนุยสุขให้อ่อนวอนสาร ะ, ะหั่นนั้นนู่นแล้วแต่ไม่กษรเป็นที่พึ่งช่วยคู่ช่วยยาม แม้แต่การเข้าฌานสมาบัติแนวนิ่งดึงดํางด้วความสุขพิเศษสร้างขึ้นที่ปรุงแต่ขึ้นที่กํากับควบคุมกดทับไว้ก็ไม่ใช่ที่ผู้อุทาวรพอไม่ได้ทำมันนั้นพอรื้อถอนการกระทำม น, นั้นปรากฏว่าความทุกข์ลำบากความขัดแย้งความไม่สบายกายไม่สบายใจก็เกิดขึ้นนิ่มันรอทําสวดเงินแล้ว พระพเจ้าสอนนะครับมีประโยคหนึ่งที่สําหรับความรู้สึกส่วนตัวของศึกษาซึ้งจรงใจมากๆครับทีจริงคาําสอนพระพุทเจ้าทุกบททุกบาททุกประโยชน์ล้วนแล้วแต่ชวนซาบซึ้งจึงใจเพราะเป็นคำที่พูดจากหัวใจของท่านผู้รู้แต่มีบางประโยคสําหรับบางจดิตที่จะรู้สึกได้มากนะครับเช่นคําพูดที่ว่า ประสบสิ่งไม่รักเป็นทุกข์กรับท่าจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ปราถนาสิ่งหนึ่งยินดายไม่ได้สิ่งนั้นนั่นเป็นทุกข์เป็นคําพูดดัาดาาสามัญ น, นะแต่ว่าเป็นคําพูดที่ท่านพูดกับทุกชีวิตเลยครับและทุกทุกสมัยเลยครับไม่ว่าเขาจะเป็นคนไทยพูดภาษาไทยหรือฝรั่งพูดภาษาอังกฤษพูดภาษากรีกเป็นเพศหญิงเพศชายแม้แต่เด็กเล็กๆ ถ้าฟังออกเขาจะรู้ทันทีว่าคำพูดนี้จริงและพูดเจาะจนถึงตัวเขาด้วยสภาวะในตัวเขาด้วยพักทอจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์เด็กๆถูกแย่งตุกตาร้องไห้เลยบจะปวดถูกทำลายของรักประสบสิ่งไม่รักเจอกับสิ่งที่ไม่นา่าปรารถนาถก็อึดอัดขัดขืนทั้สิ่นี้เล่นกับเราตลอดในที่ทางานที่บ้าน แม้ในวัดในโบสถ์ในมุ่งพระสงค์นั้นคําพูดนี้เป็นคําพูดสากรำมูลชีวิตครับนับว่าชีวิตในดาวดวอื่นในปัจจุบันในอดีตและในอนาคตคำพูดนี้จริงตลอดเวลาท่านอาเซจันจริงนะครับคําพูดง่ายๆพื้นๆแต่ได้สะท้อนความจริงของชีวิตออกมาแร่ท่านก็พูดต่อว่าโดยย่อแล้วที่ทุกข์เพราะขันห้าจุกยึดถือ ครอบครองเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นการภาวนานนั้ในแง่หนึ่งคือควารฆราหานที่จะเสียสละมันง่ายมากถ้าเรามีเงินเยอะที่จะเสียสละเงินมาให้ขอทานแต่มันยากมากที่จะเสียสละความเจ้าหนี้ซึ่งไม่ใช่เงินเป็นอาคารอะไรบางสิ่งเช่นเสียสละความถือดีถือตัวเพราะนั้นคนที่เสียสละนี้มันเป็นคนประเภทหนึ่งนะคนบานคนมีเงินเยอะก็สามารถโยนก้อนเงินให้เสษเงินนั้นก็หน่ง มีคนามสุขได้โดยตัวเองไม่ต้องแย่ใสฝากคนใช้ไปให้ก็ยังได้แต่การเสีสละที่แท้จริงที่ไม่อยู่นั้นนะครับการเสียสละความเจริญนั้นก็คือเป็นเรื่องดังข้างในที่แคบมีเรื่องเล่าที่น่าสนุกดีเรื่องหนึ่งในสมัยมหัฒมะทันที mm hmm. กําลังเคลื่อนไหวเพื่อปลดแอกอินเดียออกจากอังกฤษทำต้องการวารวบรวมทุนกองทุนเพื่อมาใช้ในการเคลื่อนไหวแล้วท่านขอร้องให้ทุกคนเสียสละ มนคนเล็กคนน้อยตามตามศรัทธาหรือทรัพย์สมบัติแก้าแหวนตุ้มหูสร้อยคอในเรื่องเล่าว่ามีสตรีสองนางมาหาท่านเพื่อจะสละบริจาคเงินสมทบทอนที่ก็พูดถึงตรงการการตรวจแอกประเทศชาติ่านฟังสตรีนางแรกก็ร้องไห้ด้วยความรักชาติถอดสร้อยถอดแหวนถอดตุ้มหูสร้อย ท, ที่ที่จมูกที่หูเออทเพื่อบริจาคสมทบเพื่อช่วยต่อสู้ สตรีคนที่สองนั้นก็ถอดหมดเหมือนกันแต่เหลือล็อกเก็ตไว้อันนึงครับอามือกำรรแมน่นว่ากันว่าทันทีท่า น, นเอใจว่าเขาน่าจะถอดด้วยแต่สตรีนานที่สองนั้นไม่ยอมถอดแต่ถามแล้วก็รู้ว่าแฟนนะครับผู้รักบอกว่าตะวันไหนไม่อยู่บนคอมาไหร่ก็เลิกกันทันทีเขาลังเลระหว่างผู่รักกับประเทศชาติเมื่อวันตะวันทันทีรู้ชน่นีแล้วก็พูดหนักเลยครับพูดในสละหนัก จนางร้องไห้โหมาแล้วก็ถอดยื่นให้หมดเลิกก็เลิก ก, เลกกันเพื่อประเทศชาติมทาทั้วันทีล็อกล็อกแคเป็นไว้แล้วก็คืนให้ครับหสิ่งที่เธอสลาดนั้นได้สละแล้วสิงนี้เรื่องเล็กน้นอยกว่าคืนไปเลยนี่ตัวอย่างที่สําคัญนะครับในการเสียสลาดโดังที่จึงสำหรับคนที่มีไหวพริบปฏิภาณแล้วก็มีความรู้สิกตัวได้ต่อนื่นแน่แ น, นดีแล้ว การสละอารมณ์ร้ายกลับเป็นสิ่งที่เป็นความสุขเช่นความวิสยาเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์แล้วเนี่ยคงมีใครกล้าพูดว่าลิสยา this เป็นสุขได้เช้ากัวเองแ้มันดีเขาคงมีใครคิดแม่ผมเชื่อว่าความาวิสยาเจ็บปวดเหมือนลูกสรเหมือนยาพิษทีเดียวครับมันปรากฏขึ้นในจิตใจแล้วมันกัดกร่อนเหมือนที่เราได้ยินกันบ่อยว่าสนิมเกิดเป็นเนื้อในเหล็กกัดเหล็กให้ปุกร่อนเอง สำหรับสติปัญญานะครับที่ฝึกปลือมาดีแล้วเหมือนที่ล้มเอ่ยแต่ต้นมือว่ามันคุ้เคยกับสภาพไร้ายโทสะไร้ายโมหะร้าราคะดีแล้วพอสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามามันทีไม่เอาเองครับมันมีการเสียสละแบบที่ต้องกล้าหานทำจะได้ทําอย่างลึกซึ้งไม่ใช่อย่างนั้นับียบเหมือนมือด้านนี้ไปจับแก้ตอนน่ออันมีความอยากจับมันก็จับไม่ติดครับแต่ถ้าด้านนี้ติดครับเพราะเราชอบ แล้วเราก็สนิทสนมอาจารย์รนิวบาลน์เขาเปรียบ ว, ว่าระหว่างมนุษย์จิตใจของมนุษย์กับกิเลสนั้นเหมือนเด็กน้อยกับมารดาคือหิวน้ำนมนั้นต้องดื่มน้ํานมของกิเลสตลอดเวลาจึงจะสุขสาําญผลิตภความสุขที่เกิดจากเสียสละรู้วจะเป็นมิจฉีของอริยะเป็นมิจฉีที่คนทั่วไปอาจจะหมิ่นแรงและที่จะเป็นเรื่องที่ชวนสงสยัย ว่าเราจะถูกหลอกรู้หรอกปล่แต่แท้จริงนั้นการเสียสลานี้นั้นเป็นกําลังเพิ่มบุญพลานามัยให้จิตใจนะครับเมื่อได้เสียสละวันหนึ่งมันจะเกิดพลังใจอย่างอย่างมากมายทีเดียรครับอย่างมหาสมากันทีที่เล่าแล้วไม่ใช่ว่ท่านเกิดมาเป็นนักบุญแต่กําเนิดที่จริงท่านเห็นตัวเองเหมนกันครับตอนไปเรียนอังกฤษเล่าว่าทําตัวเป็นผู้ดีด้วยซ้ําไปผู้ดีอังกฤษด้วยซ้ํำไปไป นรบิมความฟ้อนกลฝรั่งไปเรียนเวลินไปเข้าสมาคมชั้นสูงแต่แล้วสมมติค่อยๆหมุนข้าสูงความแท้จริงของชีวิตอะไรเสรแสงอะไรจริงกว่าระหว่างกิเลสตัณหากับความไร้กิเลสตัณหาอันไหนจริงกว่าอันไหนย่งยืนกว่าอันไหนให้ความสุขสําราญนี้ลื่นเลิศกว่าดูน้ความสุขที่เกิดจากการบําบัดนั้นว่าให้ถูกแล้วมันไม่ใช่ความสุขที่แท้ที่แท้จริงนะครับ ซึ่งตลสังเกตดีๆจะพบว่าความสุขเช่นั้นจืดด้วยความเร่าร้อนด้วยความแหนหวงด้วยความวิษยาด้วยความครอบครองเป็นความสุขเนื่องจากการได้แผ่อํานาจของตัวเอ ง, งไปในทรัพย์สินสิ่งของสตรีบุรตรข้าวของลูกเมียคือเป็นการแผ่ขยายของตัจจาดังนั้นดังนั้นเองการปฏิบัติที่ใช้ความคิด สำหรับละกิเลสตัณหาหนึ่งร้อยเปร์เซ็นต์กั้มันเต็มไปด้วยประสซ็นต์าพเมื่เราษษษษษษ น, นึกถึงอนิจจังทุกขงกังอนัตตาแต่มันเป็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตาของเราเรานั่นแหละกําลังเรียนรู้อนิจจังทุกขงกังอนัตตาเหตุนั้นความุ่งที่เติบโตจากการใช้ความคิดนั้นเป็นอย่างหนึ่งเสมือนว่าน้ำผึ้งมีน้ำผึ้งที่ใดก็มีพึ้งและมีเหล็กในของพึ้งที่นั้น สงความรู้ที่เกิดจากสัมผัสบริสุทธิ์นะครับเป็นความรู้ที่ไม่อยู่ในหน่วยความทรงจําไม่ใช่สิ่งที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์และสะสมให้เป็นคลังความทรงจำแนนคนที่สร้างตัวสร้างฐานะมีความรู้มากจิตสมนึกเขาเข้าครอบครองความรู้นั้นครอบครองข้อรู้นั้นและเขารู้สึกว่าฉันเปนคน ม, มีความรู้มากฉันมีสูงสักตกว่าคุณซึ่งมีความรู้น้อยกว่าฉัน หลังความรูนั้นถูกอำนาจของ ي, ความรู้สึกตัวที่ผิดๆครอบงำส่วนประสบการณ์ที่ไม่มีการสั่งสม่ะมีการมือสัมผัสพื้นเย็นๆหรือผมจะยกตัวอย่างนะครับขออภัยด้วยกริยาที่มาญาติทไม่เรียบร้อย ด, ด้วยนะครับผมจะทํำสิ่งอย่างนี้ครับนี่สิ่งสียงมือที่ตกนี่มันจบทันทีเมื่อเมือ่อสัมผัสจบแต่มันต้องอยู่ในความจำของเรา น้องนิจิเงเสียงชัดมีขนาดเสียงธรรมดาเนอะถ้าเป็นเสียงอ่อนหวานของผู้หญิงหรือผู้ชายที่ออดอ้อนอยู่นานมากครับแต่โดย <c oughs> โทษครับโดยตัวความจริงในตัวมันโดยตัวสภาวะของการกระทบสัมผัส น, นั้นเขาเกิดนี้ก็ดับเลยแต่ที่มันอยู่นี่เพราะมีมีความจํารองรับอยู่มีขนาดเสียงนะครับมีเสียงจะเรียกเอ็คโคก็ได้นะครับยังเหมือนกับดังกล้องในเราว่า ครับแทบแทบมือนเราทวนมนอย่างนั้นเลยนีเราทวนอยู่แต่ถ้าเป็นคนข้าสมมุติเช่นคําด่าของสจูเราไม่ต้องถึงกระดาษเปลีนในสจูนผู้เรียนศกตาเท่านั้ น, นครับมันตามไปถึงบ้านเลยครับมันทบทวนแล้วทบทวนอีกบทขีี้ตัวเองอยูอย่ดังนั้นยุทธศาสตร์ที่ผมบอกว่าเให้เปียนนป็นยุทธศาสตร์ของตา ก, กะคือคิดแยกแยะทรงจำอะไรห น, นรึ่ง ย้ายมาอยู่กับตั ก, กะมาอยู่กับสัมผัสบริสุทธิ์ดังนั้นในมหาสิทิฐานสี่บอกว่า<ม>เธอนั้นมเมื่อเหยียดแขนออกเธอรู้ชัดกูเข้าก็รู้เธอนั้นไม่ยินดีในโลกทั้งสองนะดัง น, นั้นความควา ม, มรู้สึกสัมผัสได้ถาปนาความรู้ชนิดหนึ่งเป็นความรู้ชนิดที่ไม่มีการสั่งสมประสบการณ์ความจาไม่ต้องจาไว้ครับเช่นเดียวกับ ประสบการณ์ในตัวมันเองทุกทกคนหัวตโลกคนละหัวนะฮะแต่เราไม่มีความจําเป็นที่ต้องมานั่งเรียบร่าเอ๊ะมันอยู่หรือมันไม่อยู่มันไม่ได้อยู่ในความจําของเราเลยแต่มันอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งที่ชอบที่ยกตัวอย่างเรื่องเวลาหลับลึกเวลาหลับลึกนั้นคือช่วงขณะที่ประหลาดนละมหัศจรรย์ที่สุดในชีวิตธรรมดาของเราเร า, เร า, เราท่านท่าน เราหลับลึกลงสู่สภาวะหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้ตายชีวิตยันเป็นอยู่แต่เป็นอยู่ที่ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับเพราะไม่มีระยะทางไม่มีเวลาไม่มีความต่อแยระหว่างความดีหรือความชั่วความถูกหรือความผิดและทุกคืนเราลงในสี่ระดับนี้นะแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่แล้วดูเหมือนว่าเราอยู่รอดปลอดภัยมาได้ก็เพราะความหลับลึกนั่นเองเชื่อว่าถ้าเรานอนไม่หลับสักเจดวันทันทีชีวิตเราคงจะจบสิ้นแน่ครับ แค่นอนหลับขึ้นคืนหรือคืนหนึ่งเราทุกทรมานแสนสาหัสใช่หรือเปล่าครับดังนั้แต่ผมไม่ได้แนะบอกว่าให้พวกเรากลับไปนอนหลับลึกกันเพื่อเป็นการภาวนาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมเชื่อเห็นว่ามีสถานะพิเศษอันหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งในความลึกลับของชีวิต ถ้าพูถึงเรื่องความตายนะครับคนที่ชอบคิดเรื่องความตายหรือความแก่ฉลาก็มักจะมีความถดถอยแทนที่จะชุ่มชื่นขึ้นเมื่เทวเองแก่เท่ากรอบท้อแท้แลวความหวัดกลัวชนิดหนึ่งปรากฏขึ้นนอกจากโรคภายไข้เจ็บเรารุมขึ้นรูกร้านไม่ดูแลพลังกำลังที่เคยมีก็ถดถอยรูปโฉมหนมพันที่เคยดึงดูด วนใจเพศตรงข้ามเริ่มเสื่อมทรามนั้นความคิดในทางศาสนาในทางโปงท่านที่ช่วยชุ่มชื่กลับซ้ำเติมไม่ซ้ำ่ปข้อนี้ผมไม่ได้บอกว่ามรณนาสตีนั้นเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้นะครับแต่ผมก็ลางชี้แจงว่าเราไมา่ควรเจริญมรณนสตีผิดๆซึ่งทำให้เกิดความหวาดกลัวและตดถอยหน่อย้าที่จริงเมื่อเราคิดถึงความตายนั้น เราคนคิดว่าไม่มีใครรอดพ้นจากความตายไม่ใช่เฉพาะตัเราครับต่อเป็นเทวดาเป็นาพาวยาหมากระสับแม้แต่ผู้เจ้าก็ตายครับควาคิดแบบนี้มันมันจะไม่กลัวมันจะรับรู้วสิ่งเป็นสาธาณะต่อทุกชีวิตขึ้นมาชีวิตมันแผ่ขยายกว้างแต่ที่แต่ที่จะคิดว่าเออฉันจะตายเมื่อไหร่โลกกาลังเล่น ง, งานฉันหนักขึ้นทุกทคีความคิดแบบนี้มันไปรูปยอดอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวครับแล้วปัญหาที่ลึกซึ้งที่สุดของมุษเราคือ เรามักจะผัวพันกับความคิดเรื่องตัวเรามากเกินไปะเป็นห่วงวเวงมากเกินไปแต่ผมคิดกัได้ว่าสิ่งนี้เป็นสาธารณะกับคนตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตไม่มีใครเลยที่ไม่ตายจิตใจเราจะโ ล, ล่งขึ้นอีกประการหนึ่งนะครับเราพิจารณความตายนั้นเราเราควรจะใช้ความตายให้เป็นประโยชน์แทนที่จะมันเป็นโทษ หรือโดยเฉพาะความแก่ชรานะครับคนที่อายุมากๆก็จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับตรงที่ว่าท่านที่เห็นความแก่ชราเป็นควา ม, มเหนื่อยล้าทุดทอยถ้าเราคิดอย่างนี้จะเป็นไรไปหเปล่าครับคิดว่าเราคนจะเริ่มชีวิตใหม่สักทีทั้งที่เราจะเริ่มมีชีวิตอยู่ภายใต้ ย, ยุทธศาสตร์ตักกั ก็คิดนึกคินึกมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยตอนนี้มใช้ชีวิตแบบสัมผัสบริสุทธิ์ทีดีไหมผมคิดได้เท่นี้จิตใจมันเป็นเด็กขึ้นมาครับเพราะมันเริ่มเมีรู้อะไรใหม่เช่นยกมือกระพริตาหรือหายใจเข้าใช่ไอมคเป็นบทเรียนแรกเริ่มซึ่งครั้งหนึ่งเราเคยเรียนตอนอเด็กแม่เราเดินเรื่องเดินต่อต่อต่อต่อแต่นี้เราแก่แล้วครับคิดว่าพอจีสมรรบเรื่องโลกดังนั้น เราเริ่งชีวิตจริงๆสัดีจิตใจม จ, จะกระชุมกระชวยขึ้นันีครับทันที่จะท้อแท้และถดถอยคิดว่าผมพูดในช่วงต้นเท่านี้ก่อนครับจะได้สนทนาปัญหากันแล้วก็เมื่อพักแล้วก็จะมีช่วงที่สองครับๆๆผมเชื่อปัญหามีมากนะครับแต่ว่าเราไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน ที่ทุ่มสิ่งที่อาจารย์สอนวันนี้นะคะรู้สึกเปจะเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่เพิ่งเคยได้ยินนะคะอาจารย์อยากจะขอให้อาจารย์ให้มีรายละเอียดด้วยตัวอย่างอ<ม>ะไรให้มากกว่านี้สักหน่อยเพื่อจะได้เป็นแนวทางว่าเราจะเอาไปปฏิบัติจริงๆได้คืออยากให้ตัวอย่าง ม, มากๆเลยนะคะครับขอบคุณคที่จริงปัญหาระหวัางชาวพุดนัว่าเป็นมหาญาณหรือยมญาณนะครับไม่ใช่ค่ปัญหาด้านทฤษฎี ทางทฤษฎีมีการศึกษาอันอยังกว้างกว้างนะต่ออนิจจังทุกขังนักตาต่อเรื่องสุญญตาต่อเรื่องอิทธิพปัญหาเมือันนี้ตั้ง ห, หั่นไหลสาบรนนโรปะศึกษาอย่างลึกซึ้งระหว่างพุทธศาสนาและวิชาฟิสิกสมัยใหม่ด้วยนะครับดังนั้นนี่นไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงชาวพุทธต่อทฤษฎีโหดหรือที่เรียกกันว่าปริยัติธรรมแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับว่าทํงานจรงจะเข้าถึงมันจริงจ น, นั่น มัไม่ใช่อว่าทําอะไรจรึงจะรู้อะไรกว้างๆมากๆโดยไม่ต้องเข้าถึงปัญหาของชาวพุทธจริงๆมันอยู่ตรงนี้ครับแล้วถ้าเราดูในเรื่องราวธรรมบทหรือตัวอย่างครั้งอดีตสมัยพุทธกาลครับคนสนยย่วนใหญ่ยังไม่รู้หนังสือครับบางคนแก่เท่าได้ยินพรนัชชนะพระเจ้าประโยชน์เดียวก็เข้าถึงเออมื่อถูกเราสืบทอดกันมาจดจาร์มาเป็นหนังสือตำหลักตำลาแล้วคนรุ่นใหม่ ge, อาจจะไม่เชื่อก็ได้ครับ เด็กเล็กๆ ก, ก็ยี่สิขวบเข้าถึงได้สำเนีนของภาษาลีบูดอายุยี่สปีเป็นอรหันต